นี่ที่เราสวดสาธยายมาเมื่อวันเพลงเดือนแปดอนบรลินิพานินสี่สิบห้าปีนับจากวันนั่นถึงวันนี้สอง7ห้ารอยเก้าสิบเจ็ดปีเราเออกมาสาธยายเรียกว่าธรรมจักรกัตสูตรอนัตตลกนาสูตรจจตุอริสัจี สามสูตรสุดท้ายมาสวดปินิพานโสูตรสูตรปาลิพานโสูตรนี้นับจากวันแสดงพระสูตรนี้มาสองพันห้ารอยห้าสิบสองปีพิจิงางางทำในใจศึกษาดูโดยพระวิชากรรมฐานที่จะตอบสูตรนี้ได้เห็นสูตรนี้ ไม่ใช่ตะโกนเป็นปากเป็นเสียงแต่ก็มีบ้างแต่ว่าจะต้องเห็นสิ่งที่สแสดงเป็นการทําให้แจ้งทําไม่เห็นรู้แจ้งจึงจะเป็นของเราเรียกว่ารู้เห็นพบเห็นไม่ใช่ชิดเห็นเรียกว่ารู้แจ้งไม่ใช่รู้จําจํามา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 รูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกสมมติปัญญาปัตถุอาการเห็นแจ้งอันนี้ว่ารูปแจ้งไม่ใช่รูปแบบไปเปิดตำลาเอาตำลาคือกายคิอใจเรานี่ให้มันเห็นให้มีความรู้ศึกตัวเราเปิดตำรานะว่าขอวาหลักสูตธรรมชช่นตรี ปามมาณวิภาคปฏิเคธที่หนึ่งทำมบประกาศมวบาสองอย่างสติความระลึกได้สระปัญญาความรู้ตัวต้องจำเอาติดปากไปสอบนักทรรมตอบได้ได้ไปประกาศมาติดฝาเขียนห้อยฝาไว้เต่นั้นเป็นการรูจ้จําแต่การรู้แจ้งไม่ต้องมีอันนั้นมันอยู่ใน วิจิตใจของเราเห็นก่อนพื่ก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําขณะที่คิดมันมีสติมันมีสมปัญญะมันเลยค่อยผิดพลาดและค่อยมีทุกข์มีโทษถ้าเราลุกจมก็ยังมีทุกข์มีโทษเวลาพูดก็พูดผิดเวลาทำวก็ทําผิดเวลาคิดก็คิดผิดคิดจนนอนไม่หลับ ชิจนเกิดเจตัหาความโล ด, ค ว, โดความโกรธความหลงฟังเสียงก็ฟังผิดเตเน้นทาก็มาเป็นทุกข์เขาสอเสินออกมาเป็นโศกมันคิดมันเห็นผิดมันฟังผิดมันเอาคิดไปห้อยไปแขียนไว้กับเสียงกับรูปไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะไม่ได้ฝึกขัดตอนที ได้เย็นเสียงเฉยๆก็ไปกันแล้วสงไปแล้วต ป, ป็นทุกขเป็นโทษได้ความทุกข์ความทุกข์เกิดจากรูปลดจินเสียงถ้ามีรูปมีลดมีจินมีเสียงที่สมมุติว่าดีว่าชอบก็ติดเอาบริโภคเอาซื้อเอาขโมยเอาของเกินเอาถ้ามันต้องการถ้ามันติดแล้ว ว่านั่นจริงไม่มีสติจำแยนเยอะไม่มีแ บ, บประกาศท้อยฝาก็าไม่ใช่ต้องมาเพื่อขอย่างนี้ตามบ่อยๆรู้มากๆรู้ถึงตัวมากๆเรียกว่าภาวนาภาวนาขยันรู้มันหลงอนะเป็นตัวรู้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 มันเคยอ่อนแอไปทางนั้นยินดียินลายพอใจไม่พอใจแบบนี้กลับมาสามาลู่สึกตัวอย่างนี้เอาหัดการหัดจยางนี้หัดให้เป็นการเป็นอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองสอนตัวเองฝึกขัดตัวเองแจ้ไขตัวเองเตือนตัวเอง เราต้องเตือนตัวเราด้วยตัวเราแก้ไขตัวเราด้วยตัวเราเราต้องมีสติพิสูจน์ทั้งหลายโดยจงเตือนตนด้วยตนแก้ไขตนด้วยตนมีสติทุกเมือ่อจะอยู่เป็นโศกนะพิสูจนทั้งหลายพระเจ้าตะโกนบอกสมัยพระ อ, องค์ยังมีพระชนอยู่ไม่ใช่สถานที่อยู่ที่ไหนก็มีสติในสังาสารวัฏ โอเคลาสารีบทพระอรหันต์ทั้งหลายเดินไปในป่าสังสารโสตป่าล้งเลินน้าใสไหลเย็นเงีย บ, บสงบภิกษุทั้งหลายก็สฉเสรินกันว่าป่านี้ดีจริงๆเหมาะสำหรับพระหูโโสดอยู่นอนก็พูดเคลื่อน สารุก็พูดขึ้นว่าไม่ใช่เหมาะแจ่พู้ที่มีปัญญาไม่ใช่อ่าอกันลาก็พูดขึ้นว่าเหมาะแจ่พูดที่มีฤทธิปฏิหารก็ไม่ใช่อนุทธะธก็พูดขึ้นเหมาะที่จะพูดมีฌานตัดแน้วแน่ฌานสมาบัตแน่แน่แนดีวาลีก็ต่อ ว, ว่าไม่ใช่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีทรงธรรมทรงไว้ไหนมีระเบียบเรียบร้อยไม่ล้งกันทะเลาะกันอยู่ไม่ใช่สะเลาะกันโต้กันเฉยๆสนุกสนานเล่นๆกันเจ้าก็เดินไปหาวิสุทธพวกเธอพูดอะไรกันก็เลยเล่าให้ฟังอนนนนก็เล่าให้ฟังเรื่องว่าอ๋อแจกพระอานนนอยู่ ให้ผมอยู่นี่สาธวก็เหมาะจะสารวบอกว่าให้ผมเนี่ยอยู่่างองทางพูดกันอย่างนี้อยู่ก่อนวิสูจต้องหลายปานี่ดีสำหรับผู้ที่ฉันบินถรบาทแล้วหรือบาดวางลงนั่งตั้งายให้ตรงมีสติให้มัน่นเหมาะสำหรับผู้มีสติสอนชัญญะ ที่ทั้งหลายก็ยกเลิกไม่เคียงกันเลยส่อถุส่อถุส่อถูส่อถูก็หึงขึ้นในป่าสังสารสูตรเราเลยแปลว่าลงตัวมันดีอยู่ที่การมีสติสมัญญะก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดเวลามันพวกมันทํามันคิดก็รู้จักแก้ไขในกวามพูดแก้ไขในความผิดสมรวมตางหงอจมูกเล่นกายใจมีสติสมัญญะ ทำงานไปก็ไม่หวั่นไหวต่อนินทาฉนเรินได้แต่ชีวิตเราเปราะบางเกินไปงูหมูหเกินไปอะไรก็เชื่อเมื่อเชื่อเราก็เข้าถึง จ, จิตใจพอใจไม่พอใจอันนั้นไม่ใช่จะไปห้ามตรงนั้นห้ามไม่ได้ทองานไปมั้นหลอไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยปลอดภยัย ต้องป้องกันดีกว่าอินร้อนช่อน ก, นกนลางร่างมือให้ดีๆจากก๋าเจนสะลุลยุดลอยสำบูรณว ม, มาระวังการใช้ชีวิตจ๋าสุลุยสลุลอยใช้กายใช้ใจ ก, ใก็สอดะเกินไปสำสอนเกินไปคิดอะไรก็ได้สำบูรณมลงบ้างมีสติตัวจอปว่ายส่สำรวมมงบ้างอย่าเป็นไก่โจกเกินไป ไปทางไหนก็สุลุกสุเลตไปเลยไปดีดูหน้าดูหลังทวยเจ้าเคยเอาบอกพระสงฆ์ให้เอาอย่างกวางกวางป่าเวลาอยู่ป่ากวางไม่ไปหาเงียนมันมองข้างหน้ามองข้างหลังไม่ใช่เดินลุรลู่ไปเดินไปแล้วก็หยุดมองแล้วก็ไปอีกก็หยุดมอง บางทีพูดพเจ้าก็สอนเอาอย่างแย่รู้จักแย่ไหมแย่ yeah. <laughs> เขาเรียก <laughs> อันรฮะรู้จักแย่ไหมไอ้ไข่กับชิ้งโกชิ่งเหลนเนี่ยชิ่งกาเดีวมันอยู่ในลูก็ออกขายใจมันขึ้นมาจากลูมันชูคอขึ้่อน้อยน้อยสักนิ้วเดียวพอมีดวงตาเห็นมันก็มองรอ บ, รอบ เห็นไหมเห็นแย่ไหมอยู่ในวัดนนะ่ะมีอยู่นะแถวเนี้ยหลองตามาปล่อยว่าจู่คอขึ้นมาก็มองหันหน้าหันหลังโดออโผล่ขึ้นมาสูงขาหน้ามองไปยืดคอขึ้นเห็นที่ไกลๆชั่งหน่อยอตรงที่มันจะไปกินตรงนั้นพก็มองหาเหยื่อพอเห็นแล้วก็วิ่งไปกินก็วิ่งเข้ามาหาปล่อยทิ้งเล็หน่อยมีอะไรเกิดขึ้นก็วิ่งเข้ามาหาหลู สัตว์ตัวใดที่โง่เขาก็อยู่ไม่รอดชีวิตของเราถ้าไม่สํารวงก็โง่โถูกมารเอาไปกินไปเป็นความลักของมชังจนเสื่อชีวิตไปเอาความรักไปเป็นชีวิตเอาความชังไปชีวิตไม่ใช่ชีวิตเรา我们必须ไม่เป็นอะไระตัวเองเราไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วอยู่ในโลกกับโลภ ก, ก, กับโลดกับกินกับเสียงมันมีโลด ม, มีชัก ถ้าสมบูรณไม่ดีมันจะติดรถติดชาติในโลกนี้มีการหลอกกันรถก็ทําให้เราติดเสียงก็ทำให้เราจิตลูกก็ทำให้เราติ ด, ด, ตดได้เขาสร้างบริษัทเพื่อมาเพื่อหลอกกันทำไมแต่เพราะใบหน้าไงเขาสร้างบริษัทเป็นร้อยรอยพันพบริษัทหาจินกับใบหน้าของคนเม็ดสิวเม็ดเดียวก็หาจินได้ถ้าคนเราไมู่ลนะ เสียเงินเสียทองติดใจข้ออะไรสำคัญทบกระเทือนเลื่ไนใดอ่อนแอเลื่อนใดก็อาจจะเจ็บปวดตรงนั้นเหมือนแผลเปราะบางจิตใจไม่ได้เราอยู่ในโลกจ่วันไหวง่ากันไปตามตัวมันน้ำถ้าจะอ่อนอะไรทบนิดหน่อยก็ดีขึ้น ตอนตัวเหมือนผูเขาสิลอยแทงทึบไม่เชิญพัดลมต่อเชื่อมแข็งไม่เถชิญพัดลมนินทราเฉินเฉินอาลงปากของคนเหมือนภูเขาสิลอยแทงทึบไม่หวั่นไหวผู้มีสติสมชรยอดเป็นเชนน่นนนไม่หวั่นไหวให้โลกแน่ไม่เจ๊ง เ, เจ็บตายก็ไม่หวั่นไหวเพราะฝึกมาดี ความที่จะวางมีสติชำชยะวางกายวางใจลงได้เหมือนเรานั่งแผ่ขี่แผ่ความที่จะวางแผ่ลงให้มันจมลงไปในน้ําพื้นฟังได้ไม่ต้องไปโจมไปกับแผ่ไม่ต้องไปแบกแผ่ขึ้นไปด้วยก็าวางก็วางถ้าเอาหยุดก็หยุดชีวิตนี้มันเพื่อหยุดอะไรก็ก็ต้องหยุดให้เป็นต่างให้เป็นเย็นให้ได้ถ้าเอาก็หนักถ้าวางก็เบาถ้าเอาก็หนัก หนักตัวเองจนไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรนองสติเท่านี้ลหละไปไกลนะถึงมากถึงฝนนะรวมหลงเท่านี้ไปไกลไปถึงอบายภูมิเป็นภูมันต่ำมาเจริญเตสิรกายสัตวโลกเดือดฉันอย่างประมาทพระพุทธเจ้าก่อนจะไปผ่นานสั่งนักสั่งนาตทาะดาในพิกเว ธรรัญตยามิโบโ ด, ดกรท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายอย่าได้ประงาทโอวาทของเราพระตาโคตเจ้าเป็นคำสังส่งสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ให้เห็นแจง้งอย่าเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์อย่าเอาความไม่ทุกข์มาเป็นทุกข์อย่าเอาความหลงมาเป็นความหลง อย่าวความโกรธมาเป็นความโกรธไม่มีสติปัญญาไม่ขอมีส่วนร่วมด้วยอะไรทุกข์ให้มีส่วนร่วมว่าไปดูด้วยมันสุขมันทุกข์ไม่ตรงทุกข์ก็ได้อย่าตัดสินใจด้วยตัวเองช่วยกันว่าช่วยเร า, าว่างก็มีส่วนในหัวใจด้วยเวลามันหลงไม่หลงก็ได้นะให้ไปยินเอาไว้เวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้ ไปแล้วมันทุกไหมทุกข์ก็ ไ, กกได้ไม่มีอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าสอนพวกเราอย่างนี้มองเห็นความไม่เที่ยงแทนที่จะเป็นทุกข์เป็นนิพพานได้เลยมองเห็นความไม่ทุกข์แทนที่จะเป็นทุกข์เป็นนิพพานได้เลยถ้ามองเป็นถ้ามองไม่เป็นก็เป็นทุกข์เป็นโทษปัญหาเกิดกัญญาได้ถ้าคนทําอะไรไม่ผิดไม่ได้ทํางานถ้าทำอะไรผิดถือว่าคนทํางานแล้ว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 เปิดตำล่าครับไปเห็นเข่าไ ป, ไ, ปได้หลักไม่หลักแล้วกายเวทนาจิตธรรมได้หลักเข้าไปไม่ติดตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้มากักขังเอาเหมือนด่านเป็นด่านที่เราผ่านมาได้ไปที่ใดก็เจอกายแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์เจอเวทนาก็เป็นสุขเป็นทุกข์เจอความคิดก็เป็นสุขเป็นทุกข์ ก็ทำอารมณมา์ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นสุกเป็นทุกข์วันไหวไปตามสายตามเวทนาตามจิตตามธรรมับันนี้เราเห็นแล้วสักว่าสักว่าไปเลยที่แรกก็อาศัยพระเจ้าสอนไว้สักว่ากาสักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาเป็นคำพูดเป็นคำตัดของพระพุทธเจ้าออกจากโสด ข, ขององเอง เมื่อเรารูไปรูไปจะเป็นคำพูดของเราเราจะพูดคานี้ออกมาได้ย่างองอาจทักท่วงได้จนเห็นรูปเห็นนามบิดหลักฐานได้รูปมันบอกนามมันบอกไม่ต้องไปค้นหามันแสดงให้เห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นนามอะไรที่เป็นนาม ร, รูปนามเป็นยังไงมันเป็นรูปทำนามทำยังไง เป็นรูปทุกตามทุกอย่างไรมันเป็นรูปโลกนามโลกอย่างไรมันเป็นสมมุติอย่างไรมันเป็นมันหยัดอย่างไรมันเปวัตถุอาการอย่างไรนั้นบอกเราก็ได้หลกักฐานมาไว้มันเป็นสูตรสูตรของชีวิตไป็นสูตรที่สร้างไป็นสูตรที่ลือ้อเหมือนกับสร้างว้านสร้างเลือสร้างขึ้นมาก็ลื้อได้อันไหนที่ลื้อไม่ได้ไม่ใช่ก่อสร้าง ประตูก็เปิดได้ปิดได้หน้าต่างก็เปิดได้ปิดได้เดินได้หยุดได้วิ่งได้ก็หยุดได้แต่ไม่มีแต่วิง่งไม่มีหยุดมันก็ไม่ไหวชีวิตของเรามันประเสริฐกว่าสัตว์ที่ไรจารมีปัญญาด้วยรอบรู้รูกหมดรูปจากรูปจากนามนี่เป็นแหล่งแห่งความรู้แปดหมื่นสี่ปัญญยาอยู่ในกองรูปกองนามเนี่ย ไม่ต้องไปก้นตำลาเล่มใดพระไตรปิฎกเขียนต้องมาเป็นภาษาไทยแปดสิบเล่มเป็นภาษาบาลีสี่สิบ้าเล่มแปดสิบเล่มออกจากประชนมอายุของผู้เจ้าแปดสิบพรราสี่สิบห้าเล่มนับจากอายุบรรษาขององค์สี่พันพรรษาโดยเอาไปไตรปิฎกให้ได้เสรได้ชวนแบบนี้เขียนเป็นหนังสือขึ้นมาตำลาเล่มใหญ่ มาถ้าไปเปิดดูก็เห็นมีประวัติที่จริงอย่างไงสมมูลแบบอ่านตำราได้แล้วมีแผนที่แล้วไปค้นหาก็ยังเห็นน้องตาพูดอยู่เนี่ยก็เอาจากตำราเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่พูดตัวเองเห็นตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้สอนตรงนี้ก็ทำให้เห็น ตามทำให้เห็นตามครับสอนพระเจ้าให้เห็นเราก็ทําให้เป็นด้วยทำํำไมได้ด้วยว่าเช่นตระกูลที่จะมั่งคั่งอยู่นานได้เพราะเหตุสี่ประการหนึ่งรู้จักซ่อมแซมพระจูดที่คาค่าสองรู้จักแสดงหาพระจูดที่หายไปแล้วให้คืนมาสามแสดงหาพระจูดที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสี่บุรุษจตรีที่เป็นพ่อบ้านไม่เรือนให้เป็นคนมีศีล เนี่ยอันนี้มั่ ง, งคั่งตระกูลที่เสื่อมชามตั้งอยู่แดนไม่ได้เพราะไม่ซ่อมแซมพระจุที่กำค่าไม่เจอปัญหาพระจุที่ห่างไรไปไม่เจอปัญหาพระจุที่ยังไม่มีให้มีขึ้นบุรุษจตีผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนขี้เกียจชี้ข้านแร้งข้าหมากร้าข้าเมเขาอยู่ได้ไมนะ่นานไม่ต้องไปอ้อนนอนอยู่ที่าการกระทำของเราจะ้ะเนะยนี่ผู้เจ้าสอน เราไม่มีพ่อพ่อตายี้จากอาสัยการเล่าเดียนไปมาสอนตัวเราวดเป็นแน่น้อยก็ดีนะมีประโยชน์นะลักษณะข้อนเกียดตข้านมีลักษณะง้าประการหนึ่งอ้างว่าร่อนนักไม่ทำงานทำการสองอ้างว่าหนาวนักไม่ทำงานทำการสามมักอ้างว่ายังเช่าอยู่ไม่ทำการงานทงานทงาน ส่บ้งกว่าหิวนักไม่ทำการทำงานน่าอะไรฮะ <laughs> เอ้ามาสอนต่อเราถ้าเวลาใดอ้างว่าเช้าอยู่ไม่ลุกอุย้ยไอ้เกียจพันตัวน่ะไม่ได้อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาอ้างนี่สัมาหาจินอย่าตามใจกังเกนไปเอาข้อวัดปฏิบัติคำสอนของพ่อของแม่ของครูาอาจารย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เยแยะเลยก็ช่างเชยดตปีนี้ก็ไม่เหมือนปีกาอนะเดินนี่ยืกยัดเกีกย่ยงนะขาไอ้ข้องนะต้องใส่ไม้เท่าไปไม่กลับ จ, จะเป็นไก่แก่โขเแออยา ก, อกเด่นอยู่คนเดียวไปไหนอยากไปคนเดียวกลัวเขาจะหลังเทียนเดินไปก็อยากไปคนเดียว แต่มันจําเป็นต้องอาศัยหิ้งผู้ที่เพิ่งมาอาศัยเวลาต้องอาศัยใช้ใจจริงจริงจากไปอย่างนั้นแต่มันไปไม่ได้แตอนนี้ก็ยังกินยาจะกินข้าวตอนนี้ตอนเช้าไปฉันที่ศาลาหน้าเขาหังให้กินที่นั่นเหมือนเคยโคแก่เคยกินที่นั่นก็ไป ตอนกลางวันไว้ฉันที่กะตีหลวงพว่อผมตอนเย็นไปฉันที่กะตีโนนไม่ใช่ฉันข้าวนะฉันน้มามบาณะมันจะต้องกินยาทุกเวลาวันละสามเมื่อวันละสามครั้งตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเยน็นต้องกินอาหารพอได้เกินข้าวรองท้องอย่าวางไปเพื่อต้องมีาหารหลองอสัง่งสั่งอาหาร ให้ถูกต้องตามหมอสั่งให้ถูกต้องตามเวลาจึงจะมีประโยชน์ต้องเชื่อหมอเนะี่ยนั่งอยู่เนะเราก็รอดมาเพราะหมอเนี่ยเป็นเทพพิดาเทพพระบุตรของเรามีปัญญาช่วยเราเดี๋ยนี้ก็อาศัยพวกเราเพื่อนๆ อ, อยากจะหนีไปอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ไปไม่ได้ จึงต้องเป็นผู้อาศัยเป็นผู้อาศัยอย่าลืมว่าอยู่นี่ก็ยังมีผู้อาศัยเราอยู่อย่านึกว่าเราตัวคนเดียวมีตัวที่คนทําให้เป็นผู้อาศัยคนอื่นได้ตัวเองหมดกล่อมสามารถต้องอาศัยคนอื่นมีเหมือนกันดังน้อยก็ต้องมีที่บ้านเรามีพ่อมีแม่พ่อมแ ม, พอแม่พูดไหนใจ ตอนต่ตไปถ่ายทรมาจากประทเทศอินเดียได้ภาพมาที่นี่ไม่มีนะผู้อขอทองไหมนะในแม่อ้มโลกแม่ป่วยโลกไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพอเห็นโลกแล้วลุกขึ้นมาเลยมีกำลังใจกนะอโลกพูดในใจว่ายามแจ่เท่าหวังเจ้าก็ารับใช้ ยามเจ็บไข้หวังเจ้าพ่อรักษายามต้องชิ่นใจวายศีวาหวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายนี่ยังมีพุ่งคือ พ, พุ่งหลวงพ่อแม่พี่น้องหวังพึ่งลูกพึงเต่าทุกคนมีพ่อมีแม่เราไม่ห่วงพ่อของแม่ต้องคิดว่าแม่ต้องมองเราพ่อต้องมองเรากลับบ้านเชียบบ้างให้ข่าวให้ข่าวบ้าง จะถึงกับว่าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยเวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมไม่มีคนอาศัยเราอยู่อยากน้อ ย, อยพ่อแม่อยู่บ้านลูกชายลูกสาวของฉันไปปฏิบัติธรรมอยู่ของก็ดีขึ้นเยอะแยะมีความหวังเพ่อแม่ทุกคนหวังเลี่ยงลูกให้เป็นคนดีถ้าลูกเป็นคนดีก็มีความสุขใจถ้าลูกเป็นคนชัวว่วก็ทุกข์ใจมันแยกไม่ได้ ใครมีสามีสามีก็อยากให้เมียเป็นคนดีใครมีเมียก็อยากให้สามีเป็นคนดีใครมีพี่มีน้องก็อยากให้พี่น้องเป็นคนดีจนถึงถามเห็นพระพุทธเจ้าไปบินท บ, บาทกันหลังขวดจุนหน้ากำลังขวดตาจุนหน้าบ้านพระเจ้าโขอจอด บ, บินท บ, บาทตอนเช้าถามเห็นพระเจ้าเดินเป็นท บ, บาท ยืนเนรยืนไม่ขวดจอดเลยปัดโทปโทัปโโถปัดโถผ่านจงมาจังติ่นเต้นเห็นพระเจ้าวินทบารแล้วก็พูดออกมาว่าใครมีลูกชายอย่างนี้พ่อแม่ได้นินปานเสิเเ็แล้วเย็นใจใครมีสามีอย่างนี้ภรรยาได้นินปาน ไก่มีพี่ชายอย่างนี้น้องได้เนพานไก่มีน้องอย่างนี้พี่ได้เนพานอะไรอะ่ะันเย็นใจแล้วจากของคนดีก็มีระว่ากีดยามา ร, รยาทไม่ผล ผ, ผ, ผันแผนแลนจับไปบ้านเย็นใจให้คนเห็นเย็นใจดีกว่าเก่าเพื่อนร่วมงานเย็นใจเรามี์ทำไมสามีเย็นใจ เรไม่พัญญาเย็นใจ่ามพี่น้องเห็นใจอย่าทําให้กันร้อนใจเห็นหน้าเราร้อนใจมีไหมไมันต้องเย็นบ้างเห็นหน้าพัญญาเย็นใจทํางานไม่เหนื่อยเพรเห็นหน้าพัญญาอยู่บ้านนระหน่อยเหนื่อยเล ย, เลยมีไหมฮ ะ, ะทางานเหนื่อย กลับมาบ้านเห็นหน้าสามีเย็นใจหาอยเหนื่อยเลยมีกําลังใจนะคนมีกําลังใจอย่างไหนอ่ะไม่ทุกไม่จนมีอะไรก็สู้ต่เพิดตะเผอเดือดร้อนไม่มีกําลังเลยข้าวข้าวแจงแรงขาาวมอไม่เมียใจใจะทลํลอยทุกจนนะใจไม่ดีต้องทำให้ใจมันดีนะอันนี้ต้องพึ่งอัดตัวเองนะ เรื่องนี้วิธีใดก็ได้กดอีเมลสุโกโตก็มีนะประเทศต่างประเทศเขากดปับ๊บยกเบองทางนี้บโอ้นี่หลงพ่อเทียนนะสมัยมันมีอยู่นะเจมเนอเป็นแขนหลงพ่อเทียนนี่ะกดแเ้วจะเห็น่ะสุโตโตมาได้เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้จะนุ่มจานวดจะเสียงกำลังจะให้เป็นนานาชาติ อยากจะมีแชม่มอยากทำเชม่มพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ตามหลังญาติชมนี่ที่สาในศกก่อสร้างสารศกชวนกันมานัดกันมาทำไปพระสงฆ์ไม่ทำังไรว่าจะไปเสนอเจ้าการอำเภอให้จัดการคณะสงฆ์เราในบ้าให้จย์ทรงสินเทพูนไว้ในที่ต่างๆเป็นเชม่ม คิดว่าพออยู่ได้นะจกกตอยู่ได้ไหมเรงทานพออยู่ได้ไหมเอาห่อข้าววันละห่อสักเจ็ดวันได้ไหมห่อข้าวให้เวลาใครมาปฏิบัติหัวข้าวห่อหนังกวดน้ากวดหนังได้ไหมเจ็ดวันร้อยห่อเกืดสิบเกอเจ็ดร้อยหอใช่ไเจ็ดวันน้มเกือบ้อยพออยู่ได้ไหมอยากจะนัดแบบนี้นะ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 ถ้าเดินหน้าม่ดีปีหน้าคงจะดีได้แต่ปีหน้าไม่ดีชาติหน้าคงจะดีล่ะให้คิดแบบเนี้พอเห็นกันปับ๊บรักกันเลยชังกันเลยใช่ไม่ได้เลยมันสั้นเงินไปให้เหนียวแน่นจังหน่อยเราอยู่ร่วมกันในโลกจะรังเกียจกันจนเกินกว่าสงสารคนที่ไม่ดีให้มากถ้าขนตาไม่ใส่จุดนี่นะจะอุ้มเด็กนะ เคยสอนเด็กนักเรียนเด็กทําได้จำใบจำบ่าแต่มันไม่เหมาะนะในเพจนี้มันก็ไม่เหมาะอยากอุ้มเด็กจะเล่นอยู่กับเด็กน้อยรักเด็กเห็นพ่อแม่บางคนลูกลองให้ตามมาสุกของลูกมันมีแต่ลองให้ตามกูทาไม <laughs> มันก็รักแม่บานมันไม่ต้องวิ่งตามพ่อแม่หลังเกียดลูกเวลาลูกลองให้ตาม ยุค ข, ของล้มไปโอ้ยอยากไปอุ้มเด็กน้อยขึ้นมาสองสามเด็กมันไม่เลียงสาระมันสื่อๆแต่พ่อแม่ไม่ค่อยมองมันแบบเป็นเด็กมองมันแบบเจ็ดใจเราแม่คิดยังงไนคิดว่าลูกคีดอย่างนั้นมึงอย่ามากับกูเธอไม่ได้ลูกมันคิดถึงแม่มันใจจะขาดให้ลองให้ไปจนใจจะขาด แม่ยังเอามือชุกของกันร่มงไปใช่ไหมเห็นไหมมันทำให้เราให้มีน้ำใจระหน่อลักกันอิ้มพกสคอนหล่วงทีก็อยากจะทำอะไรมันทำไม่ค่อยได้เหมือนหลวงพ่อเทียนบ่าผมจะไปต่างประเทศผมพก็จะนุ่งเสื้อใหญ่ผมก็จะนุ่งเสื้อใหญ่จะไปนั่งสอนนลวงเทียนก็ไปใส่ชุดเชนยิงๆน่นที่สิงคโปร์ ห้ามมาอยู่เบียร์ร้อยยี่สิบหกห้ามมาอยุดหลวงพ่อเทียนป่วยหนักจะไปเชงกูโปพวกเราสมัยก่อนหลวงตาอยู่วัดโมกนะไปบริลารวัดโมกไปประชุมกันบอกว่ า, วาตอนนี้หลวงพ่อเทียนลาพาฒน์มากแล้วพวกเราต้องอุปถากให้ดีที่สุดแยงเวลากันสร้างกติให้ใหม่หลังเทียนออกแบบกติกาเราออกแบบแยบงบ ไปเพิ่งกับหลวงอหลวงพ่อไม่ต้องไปนะสอนธรรมะผมสอนเองผมจะเป็นปากเป็นเสียงแทนหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ต้องไปหลวงพ่อฟังเฉยถึงข่าวผมจะไปสิงคโปร์เขาทม่มให้ไปมา น, นไม่เท่าในร่จังมีคนอีกเยอะเที่ยงไม่รู้หลวงพ่อก็ป่วยหนักแล้วนะเดินเจังกรยังอุ้มท้องอยู่ ใคก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไปกับคุณจูศรีเป็นล่ามไปห้ามกวางโยอประชุมเพระหลวงพ่อเทียนไม่อยู่กับเราหรอกหลวงพ่ออยู่กับเราเวลาสงพ่อขึ้นรถหลวงพ่อเทียนไม่เชื่อพวกเราหลวงพ่อไม่เชื่อเรารอคอยไป ร, รับศพหลวงพ่อที่สนามบินนะโกรธจังนะะปีนั่นนะวันที่สิบสามที่ผ่านมา ไปวันอายุหลวงพ่อเถียนก็เลยแสดงให้เพื่อนฟังว่าอยังพวกหลวงพ่อกับแม่นะไม่ใช่พูดเพราะคามเกลียดชังหม่วงหลวงพ่อมากก็เลาพ่อก็ไปพูดออกมาได้แล้วเราหลวลงพ่อมาอยู่กับเราหลวงพ่อไปสิงคโปร์แล้วพวกเราคอยไปรับศพหลวงพ่อที่สนามบินก็หลวพ่อเถียนก็หัวเราะนะ <c oughs> ว่าเลาะไปลยไม่ถึงอาทิตย์เดียวนหลวงพ่อกลับมาแล้วอยู่รองพระบาลศิริราชเกือบได้ไปรับศพแล้วไปได้รองพระบาลสิริราชนอนน้าลายโป้มปากน้ำลายโปมปากอยู่บนเตียงไม่รู้อะไรอาจารย์ชูเฉยที่เป็นล่ามไปเอาผ้าเช็ดน้ําลายรองพระเตียนละมาเช็ดหน้าน้ําตาตัวเอง ั้งเช็ดตาหน้าตาทั้งเช็ดปากต้องเหยืยดผ้าพื้นเต็มทีแล้ววะแล้วก็เอาไงพวกเราประดีก็นอนอยู่หล่อหวันไม่เห็นทําอะไรก็เลยหมอวัฒนาลงบาลสมิติเวศขอย้ายโรงพาบาไปสมิติเวศไปตัดกระเพาะออกมาช่างดูเกตกิโลกระเพาะเนี่ยไม่มีถุงเลย เต็มไปลุ่ยก้อนเนื้อตัดทิ้งไปเลยพระพุทธเอยู่ด้านมาเกินสองสามเดือนเราก็พยายามช่วยชีวิตอยู่ทั้งเจ็ดปีอ่าอดชีวิตหลองเมื่อปีสองพันร้อยสามสิบเอ็ดเราก็ไปปฏิวัติบูชาหลองก็อในคืนวันที่สิบสามที่ผ่านมาไม่หลับไม่นอนกันเลย โดยเพราะผู้หญิงเจ๋งกว่าพระพระไม่เห็นมีที่ไหนแล้วพระเงียบหมดเลยมีโยมผู้หญิง2ี่สิบคนนะปฏิบัติกันเลยจอมก็นั่งนะแล้วก็ไปนั่งอยู่ด้วยกับลังพ่อผมอไปแสดงธรรมไปพูดอยู่